ท่านทุกท่นคะท่านกำลังฟังรายการสันสนาสนทนาแล้วก็กําลังฟังวิทยุครอบครัวข่าวซึ่งออกอากาศเป็นประจําทุกวันนะคะแล้วก็เป็นสถานีที่ท่านจะได้บริโภคเนื้อหาสาระที่เพียงพอกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันอย่างคนรู้เท่าอย่างคนรู้ทันคะ<อ>่ะรายการนี้เราก็มีสองช่วงนะคะผ่านการปฏิบัติ ท, ทํากันไป ก่อนหน้าที่จะไปถึงช่วงเวลาของพระจันทร์ไพ่บุญอภิปุณโญดิฉั น, นอขอเวลาสักครึ่งนาทีเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับทางสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งเขาได้ฝากมาเรียนเชิญสหกรณ์สมาชิกให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2554ในวันเสาร์ที่17ธันวาคมปีนี้นะคะตั้งแต่เวลา7นาฬกาเป็นต้นไป โดยจะประชุมกันที่ศูนย์การประชุมรัชนีแจมจรัดที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในที่13ถนนพิชัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครค่ะค่ะตอนนี้เราก็ไปพู ก, กับพร ะ, พระอาจารย์ไพบูลอาพิปุนโนกันได้เลยค่ะนมัสการครับคะเชิญ่อนค่ะท่านก็ยุ่งไหมคะช่วงนี้ปลายปีปลายปีก็ทุกเดือนที่วัดป่าด่านไนโศกก็จะมีการหลรกเริ่มปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว ที่เหลืออีกสามสัปดาห์ก็จะเป็นการที่อยู่คนมา้าอยู่เรือนว่างทําความเพียนหลีกเล่นกันไปส่วนตัวอ๋อหมายถึงว่าส่วนประสงค์เหรอคะใช่ใชส่วนนอกเหนือจากนี้ก็ในช่วงพี่แม่จะมีคนมาวัดบ้างช่วงมันอยู่ก็จะมีคนมาวัดบ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ก็พอสมควรเ่าะส่วนใหญ่ก็จะมีกิจกันเยอะๆแต่ตอนนี้เขาก็กําลังนิยมเรื่องของการที่จะ ให้ของขวัญตัวเองเติมมงคลให้กับชีวิตอบางทีเขาก็ไปสวดมนต์ข้ามปีปฏิบัติธรรมข้ามปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่วัดมีทํำไหมคะเอถ้ามีคนมาเราก็จะจะนั่งสมาธิกันได้เทศให้ฟังได้หลวงพ่อก็จะมาเทศให้ฟังอยู่แต่ถ้าไม่มีคนมาแล้วก็ก็ไม่ได้ทํำทำที่ที่กุฏิของตัวเองแต่การทําในห่วงเวลานั้นต่อวันที่สามสิบเอ็ดข้ามไปวันที่หนึ่ง จากปีเก่าสู่ปีใหม่นะคะกับทำวันอื่นๆเนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรไหมคะคือทำเนี่ยเพื่อที่จะไม่ประมาทในเรื่องของกุศลธรรมไม่ประมาทในเรื่องของความตายเพราะฉะนั้นความตายเนี่ยมันจะมันจะไม่ได้มันเลือกว่าเราต้องอยู่ในช่วงสามเอดแล้วไปวันที่หนึ่งอย่างเงี้ยจริงๆเราควรต้องทําทุกๆลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่แล้วแล้วเราก็ทําตลอดอย่างต่อนเนื่องเนี่ยเพื่อที่จะ ให้จิตของเราเป็นกุศลตลอดเวลาถึงจะถูกต้องนะคะเพราะนั้นใครอาจจะบอกว่ามันยุ่งจังเลยปีใหม่นะเสียได้ไปทำเรื่องเหล่านี้ไม่ได้มไม่ต้องเสียได้นะคะถ้าจะเสียได้คือไม่สามารถทำทุกวันได้ทุกเวลาได้อย่างนั้น<ท>ดีกว่า ท, ที่ควรเสียได้คือเสียได้วินาทีนี้ว่าเอ้ยเราไม่ได้มีสติในลมหายใจผ่านไปแล้วโอ้แต่เราเสียได้วินาทีนี้เอาใหม่ก็แค่นั้นเอง เพระนั้นพระพุทธเจ้าจึงจึงบอกไว้อย่างนี้ซึ่งอันนี้จะเป็นอข้อความวยความปีใหม่สําหรับวันนี้ด้วยที่จะให้อยู่ทุกวันนะนะพุทธเจ้าบอกงี้บอกว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่นะให้พิจารณาหนึ่งเนืองอย่างนี้วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่ค่ะท่านทิ้งเสียงนะได้แบบน่าสนใจมากดิฉันก็ชอบจังเลยนะคะวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้ เราทำอะไรอยู่ถามว่าเดี๋ยวนี้ทำอะไรอยู่นะคะใช่ถ้าเรามีสติอยู่อ้าวดีมากค่ะถ้าเพิอสติไปแล้วอ้าวกลับมาใหม่ทำไมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราเขียนประกบเข้าไปในคำวอวยพรอื่นของสองของส อ, ข อ, สอด้วยกระดิ่กันนะคะใช่จะหมายคิดว่ า, าดีมากๆระศาสดาตรัสไว้วันคืนล่วงไปล่วงไปบัตรนี้ เราทําอะไรอยู่อันนี้เป็นคําที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บวงเล็บเปิดเขาเรียกว่าโค้ดค่ ะ, ะคำพูดอะเคร<ว>ื่อ<ค>งหมายคําพูดซึ่งพูระพุทธเจ้าให้พิจารณาว่าเธอควรพิจารณาเนืองเนืองว่าวงเล็บเครื่องหมายคําพูดเปิดนะวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่เครื่องหมายคําพูดปิดส่งไปอย่างนี้ได้เลยค่ะนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลที่มอบให้กับท่านที่รอคอยว่า เราจะมอบพผู้ทวัจนะของพระศาสดาบทใจดีให้เป็นของขวัญปีใหม่กับคนที่เรารักคนที่เราเป็นหัวขทีนี้มาถึงคําถามแล้วคะ่ะท่านคะเมื่อวานนี้หลังจากที่คุณนัทราได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของการยืมของแล้วไม่คืนยืมเงินแล้วไม่คืนการโกงการหลอกลวงว่าผิดศีลอะไรยังไงเนี่ยนะคะเราก็สมมุติโจทย์ในเรื่องที่มันเห็นเป็นชัดเจนว่าขอยืมเข้าไปแล้วไม่คืน แต่ทีนี้พอมาถึงอีกโจทย์หนึ่งนะคะอย่างเช่นเราทำงานที่ทำงานเนี่ยนะคะ ม, มันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ทรัพย์สินอุปกรณ์อะไรของอที่ทำงานใช่ไหมคะบางทีเราก็ใช้นอกเหนือจากงานใช้เป็นประจำเลยโทรศัพท์เนี่ยเรามี อ, อาชีพหนึ่งเป็น อ, อาชีพฝิ่นสมัยนี้เขาเรียกฝินหรือเปล่าไม่รู้สมัยนี่ฉันยังสาวๆอยู่เนี่ย งานที่มันไม่ใช่งานประจำแต่ทำเงินให้เราอีกทางนั่กเป็นงานเนอ๋อใช้โทรศัพท์ใช้อุปกรณ์ของบริษัทเลยส่งอีเมลพิมพ์จดหมายอะไรเงี้ยเจ้านายไม่ค่อยอยู่นี่ดีละเปิดออฟฟิศควบคู่ไปเลยอืมถ้าเจ้านายให้ก็ก็ไม่มีปัญหาถ้าเจ้านายไม่ให้ก็จะจะเข้าข่ายที่ว่าข้อปฏิบัติของลูกน้องต่อเจ้านายในเรื่องของที่ทั้งหก อันหนเนี่ยก็คือว่าถือเอาทรัพย์ที่นายให้เท่านั้นเพราะนั้นอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สายเหล่านั้นจจะเป็นของที่สิ้นไปเช่นกระดาษคุณปิมพจดหมายมาฉบับหนึ่งกระดาษแผ่นนั้นเนี่ยนายให้ไหมในการที่คุณจะทํากิจอันนี้ถ้านายให้ก็ไม่มีปัญหาถ้านายไม่ได้ให้ก็แสดงว่าคุณถือเอาทรัพย์อันจะเอานายไม่ได้ให้ ค, คือฉันจะยกตัวอย่างเบาๆแต่มันยังมีประเภทแบบ เหมือนกับทําในลักษณะที่เขาเรียกกันว่าคอร์รัปชันองค์กรเลยอะค่ะเช่นทำงานร้านอาหารก็ขโมยวัตถุดิบกลับบ้านเป็นต้นอันนี้คือชัดเจนนะว่าถ้าถ้าเราโกงเขาซึ่งซึ่งหน้าอย่างเงี้ยหรือว่าโกงด้วยตาช่างโกงด้วยของปลอมหรือว่าก็เรียกว่าขโมยของที่ทํางานอย่างเงี้ยคือสิ่งนี้ไม่ควรทำแต่จะมีกรณีที่แบบสีเทาๆอะคุณคุณติ๋วเช่นว่าเวลาเราไป ค่าใช้จ่ายติดสินบนอย่างเงี้ยเอาพูดก<อ>ันตรงๆเงินใต้โต๊ะอย่างเงี้ยถามว่าอย่างเงี้ยเป็นกฎการโกงไหมเราจะมามองว่าอย่างนี้นะถ้าเราพิจารณาตามหลักของบุตรวจนะ น, นะอย่างสมมุติว่าเราต้องการติดต่อราชการอย่างเงี้ย<อ>แล้วเราต้องมีเคำว่าค่าแปะจี้ใช่ไหมใต้โต๊ะหรือว่าเงินพิเศษอะไรต่างๆเราจะมามองตรงนี้ว่าคนที่เขาช่วยเหลือเราในด้านนี้เนี่ยนะ เช่นวาเขาจะต้องไปติดต่องานให้ก็ต้องมีค่าโทรศัพท์ก็ต้องมีค่าน้ํามันก็ต้องมีค่าอะไรต่างๆเหลือแหลที่เขาจะต้องทำเนี่ยค่าใช้จ่ายตรงนี้ที่เราให้ไปเนี่ยคือค่าใช้จ่ายตรงนั้นนะอันนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นการโกงแต่การโกงที่พระเจ้าไม่ให้ทำนะห้ามทําเลยไม่ดีเลยก็คือการโกงด้วยตาช่างการโกงด้วยของปลอมนะการโกงซึ่งซึ่งหน้าเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเราเรารับศิลบนมาอย่างเนี้ จริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าเป็นสินบนนะคือค่าใช้จ่ายในการที่ต้องดําเนินการสิ่งนี้ให้ได้ถูกต้องเอมันก็มีทั้งที่ใช่ค่าใช้จ่ายในลักษณะที่ท่านว่ากับมันทีมก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะอะกยกตัวอย่างเช่นนะครสมมุติว่าที่เขาพูดว่ามันรับกันงานนี้ได้งบประมาณหลวงไปทํางานอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ อ, อย่าลืมจาดให้ผมสามสิบเปอร์ซ็นตนะสามสิบเอร์เซ็นตนี่เป็นการยกตัวอย่างที่สูงมากนะคะ เออมันก็มีคล้ายๆกันนี้ยอยู่ค่ะแล้วทีนี้มันก็ไม่ใช่เงินกินเปล่า mm hmm. มันก็ไม่ใช่เงินที่รัฐควรจะเสีย่ mm hmm. ะเพราะมันเป็นของถูกกลายเป็นของแพง mm hmm. มันก็พิจารณาต้องเป็นกรณีกรณีไปมั้งคะใช่ใช่ก็ต้องเป็นกรณีไปแล mm ้ว hmm. อยากจะเรียนถามท่านว่าสมมติอย่างนี้ค่ะการที่เราขโมยของคนคนเดียว mm hmm. นะคะ กับการที่เราขโมยเงินของแผ่นดินที่เป็นภาษีอากรอของประชาชนคือการการคอรัปชันอย่างเงี้ยน้ำหนักของของความผิดของความบาปอ๋อมันยังไงคะท่านคะบาปมากหรือบาปน้อยนี่ก็อยู่ที่เจตนาของเราอะนะว่ามันเคียดแคนหรือว่ารวบขนาดไหนอันนี้อันที่หนึ่ง ส่วนที่2ก็ถ้าเงินที่เราไปเอามาเนี่ยเป็นของบุคคลที่เป็นอริยะบุคคลนะอันนี้ก็จะบาปมากคือคือมันจะตรงข้ามกันนะนะที่เราเคยพูดว่าบุญใช่ไม้มคุณให้นะกับสัตว์เดรัชานก็ได้บุญเท่าหนึ่งมนุษย์ทุศีนก็ได้บุญมากขึ้นมาอีกไลย่ลยๆขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระดับของพุทธเจ้าหรืออริยส า, าวก พระอรหันต์พระโสดาบันไล่ลงมาเนี่ยถ้าเอาทรัพย์ของท่านเหล่านั้นมานะ่อันนี้จะบาป ม, มากค่ะอะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ประชาชนเขาจ่ายภาษีเนี่ยในประชาชนพวกนั้นเนี่ยมีโสดาบันสักคนไหมโหถ้ามีนี่กงรวยเล ย, เยอแต่แต่ถ้าพูดถึงว่าเอาไม่ต้องพูดถึงเป็นโสดาบันก็ได้เพราะว่าบางทีอ่าถ้าจะเปรียบเนี่ยคนที่เสียภาษีจะมีคนนับถือหลายศาสนามากคนที่ทํามาหากินมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียภาษีตรงไปตรงมาสมมตินะคะคนพวกนี้เจตนาในการที่จะชำระภาษีเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ า, ามันเป็นกติกามไม่เป็นไรเราเต็มใจให้ถึงแม้ว่าจะมากอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งนะคะทำทุกอย่างที่เลี่ยงภาษีได้อขอเลี่ยงและแต่ก็ยังมีส่วนที่เหลือเสียภาษีไป อ, อันนี้วิก็ตยาก ม, มันมันก็จะรวมกันหมดไง คือคนประเภทแรกที่คุณโยมติวพูดมาเนี่ยเป็นคนมีศีลถูกไหมค่ะคนประเภทหลังนี่คือคนไม่มีศีลค่ะเพราะฉะนั้นในสังคมเป็นแบบไหนมากกว่านะก็รวมแล้วก็บวกลบคูณหารสมการออกมาแล้วก็เป็นจุดๆนั้นน่นะค่ะว่าว่าเราจะได้รับบาปมากหรือบาปน้อยแต่บาปนี่เราไม่ควรจะเอาโดยด้ด้วยด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้นไม่ควรจะสร้าง แต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เรื่องมันยากเกินไปเพราะคิดว่าคนจำนวนน้อยเท่านั้นที่จะมีโอกาสทำผิดในลักษณะคอร์ร <Cor ruption S 2> ัปชันถูกไหมคะท่านใช่<ต>ใช่ถ้าจะมาพูดหลักใหญ่ๆก็คือว่าไปการอยากได้ของคนอื่นหรือว่าไปเอามาโดยเจ้าของไม่ได้ให้ต่างหากเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้ว่ามันจะทำให้เราเป็นคนที่ผิดปกติที่มนุษย์ทั่วไปพึงใช่ uh hmm. แล้วถ้าเรารักษาความเป็นปกติของเราได้ จิตเราจะสูงขึ้นจิตเราสูงขึ้นเราคิดอ่านการงานได้ดีขึ้นคิดอ่านการงานได้ดีขึ้นทำงานได้ดีขึ้นเงินก็มากขึ้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความเป็นปกติแบบเนี้ยจะเป็นไปเพื่อโภคทรัพย์สีเล น, นะโภคสัมปทาว่าอางนั้นค่ะมีเพื่อนทีฉันบางคนเนี่ยเขาก็จะมาพูดให้ฟังว่าหลังจากที่เขาช่วยเหลือคนอื่นยกตัวอย่างเช่นนะคะตอนน้าท่วมเนี่ย เขาเปิดกิจการอย่างหนึง่งที่คนผ่านไปผ่านมาเยอะอเขาก็เปิดรับบริจาคโดยทำให้เห็นให้มั่นใจว่าที่ท่านทั้งหลายมาช่วยกันบริจาคเนี่ยถึงมือผู้ที่เดือดร้อนแน่ก็ทำให้คนไหลเวียนกันเข้ามาบริจาคเยอะในขณะเดียวกันธุรกิจของเขาเนี่ยเขาบอกเขาขายของดีขึ้นเท่าตัวเขาบอกเขางงมากเขาไม่เข้าใจในะคะแต่เขาบอกว่า ไม่อยากเชื่อว่าตั้งแต่เขาเริ่มทําอะไรในลักษณะนี้เนี่ยเขาได้ตอบแผนกลับมาเท่าตัวนั่นสินะก็เป็นผลที่เห็นได้ชัดเจนเห็นได้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้ ม, มีพุทธวัจนะอะไรเข้ามากํากับไหมคะโอ้สีเลนะโภคสัมปทานี่เลยอ๋ออนะคะสีเลนะโพคสัมปทาสีนเป็นไปเพื่อโพคสัพย์สีนเป็นไปเพื่อโภคสัพย์ใช่ เพราะงะั้นถ้าเราอยากจะอวยพรคนปีใหม่ให้รวยเนี่ยเราก็อวยพรอย่างนี้เลยดีไหมคะได้อาตมาคิดว่าดีด้วยซ้ําอยากรวยให้ปิ<อ>บัติตามศีลหรือหรือพูดง่ายๆก็ได้ศีลเป็นไปเพื่อโฟกัพย์ค่ะความเป็นปกติห้าอย่างนี้เป็นไปเพื่อโฟกัสซับแค่นี้เลยออืความเป็นดีนะคะสีเลยนะโฟกสัมปทาอืคนเราอวยพรกันนอกจากรวยแล้วก็อายุวันณะสุขภาระค่ะ อ า, อายุนี่ก็คือการเจริญอิทธิบาทสี ถ, ถ้าลำพันธ์แค่สีนะท่านคะนอกจากจะโพคสัมปทานแล้วยังไงอีกท่านคะวันนะวันนะของเราคน <c oughs> ที่มีสีเนี่ยคุณยมติว๋วกลิ่นของคนที่มีสีเนี่ยจะทนลมไปได้ชื่อเสียงของเราจะะจาระจายไปเข้าสู่บริษัทไหนไม่คลันกรามคนที่มีสีจะเป็นงี้วันนะ น, นี่แปลว่าวันนะ น, นี่คือหมายถึงชาติกาเนิดผิวพธุ์ของเรา <c oughs> ค, คนที่ไม่สวยอะไรเงี้ยแต่คุณต้องการสวยใช่ไหมปฏิบัติตามศีลค่ะออย่างน้อยเราสบายใจสีสีเลนะทุกขติงยันติแปลว่าอะไรคะสีเลนะนิพุติังตินิพุติงังติข <c oughs> <c oughs> อไปค่ะสีเลนะนิพุติันติศีลเป็นไปเพื่อ น, นิพานโอ้ค่ะก็ะมีนอกเหนือจากประการนี้มีประการอื่นไหมคะแล้วก็มีศีลเป็นไปเพื่อความสุขศีลเป็นไปเพื่อโพกซั์ศีลเป็นไปเพื่อ น, นิพาน สีเลนัศสุกติยังติสีเลนัศโภคสัมปทาสีเลนัศนิปุติยังติอย่างนี้พิพากษาได้ได้พูดเอาไว้อยู่อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะอเวพรปีใหม่ดิฉันว่าหยิดยกศีเข้าไปนี้ได้ครบทุกอย่างที่คนทั่วไปส่วใหญ่ปรารถนาแล้วถูกต้องถูกต้องเลยนะคะแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรด้วยมันเป็นความปกติที่เรามีกันอยู่ในทุกๆวันเพียงแต่ทําให้ได้ต่อเนื่องทําให้ได้ตลอดเท่านั้นเองไม่ยากไม่ยาก ไนะมย่มายากไม่ก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้นำจากเรื่องปกติในการที่รักษาศีลข้อเดียวอทินาไม่ขโมยของใครที่เจ้าของไม่อนุญาตมางอกงามเป็นว่าถ้าต้องการที่จะร่ำรวยมีทรัพย์มากนะคะศีลเลนโพคสัมปทารักษาศีลอย่างจะได้สุขอย่างจะได้นิพพานด้วย นิพพานนี yeah ่มึงคนบอกอย่างกลัวๆก็กล้าคือเหมือนกับว uh, ่าย so ังอยากเกิดเป็นเศรษฐีสักรอบอะไรอย่างเงี้ยคือคือในนิพพานเนี่ยนะคุณโยมติ๋วไม่ไม่มีเงินนะแต่ความจนก็ไม่มีอยู่ว่างั้นอ่านะคะก็ถ้ายังไม่อยากไปฟังไปเรื่อยๆก่อนก็แล้วกันค่ะบางทีอาจจะยังไม่อยากได้เลยอยากได้อย่างเดียนิพพานก็ได้ได้เนาะค่ะ วันนี้ก็ควรแกเวลาแล้วมั้งคะนะคะเราได้พุทธวจนะจากท่านไพบูลเนี่ยสองส่วนด้กันส่วนแรกบอกวันคือล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรพระพุทธองค์ตรัสให้เราทั้งหลายนควรพิจารณาเนืองเนืองกับเรื่องของศีล น, นะคะเอาไปใช้ได้เลยในการที่จะให้ของขวัญปีใหนกับใครวันนี้นมัสยการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะเจริญพนท่านฝั่งที่เคารพค่ะ และ น, นี้ก็คือสิ่งที่รายการสัมสีนีสนธนาพยายามจะมอบให้กับท่านทั้งหลายนะคะที่ตื่นมาแต่เช้าตรู่ท่านก็รับไปสำหรับวิธีในการที่จะดำเนินชีวิตให้พบกับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์พึงจะได้และควรจะได้จากพระศาสดาของเราค่ะเรามาติดตามรับฟังรายการกันได้เป็นประจำทุกวันเลยนะคะตั้งแต่ตอน4ีหมีช่วงของการปฏิบัติอยู่ตอนต้นรายการทาวันละนิดวันละหน่อยก็เกิดประโยชน์ แล้วก็ยังมีการให้ท่านได้ศึกษาพุทธวจนะถ้าฟังแล้วยังไม่อิ่มใจอยากเจ้าไปอ่านด้วยมีหนังสือชื่อพุทธวจนะเลยนะคะซึ่งไม่มีขายที่ไหนเราได้รับเมตตาจากพระอาจารย์คือกริปโสดทิพโลท่านเจ้าวาดวัณณา ป, ปพงลำลูกกาคลองศิ์มอบให้กันวันละ3เล่นกับผู้โชคดี3ท่านที่โทรมาที่022690006ค่ะส่วนการจะถามคาถามนอกเหนือจากที่เบอร์นี้แล้ว ท่านก็ส่งไปที่เพียวธรรมะ .com/106 ของท่านพบูลกันนะคะวันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านมีชีวิตที่สวัสดีด้วยพุทธวัจนะพุทธวัตรสวัสดีค่ะ